ธรรมกถาครั้งที่7ตอนสรุปหมวดกายจะได้อธิบายปปัฏฐสุดท้ายในหมวดพิจารณากายในสติปัฐานสูตรซึ่งจะได้จบลงในวันนี้ฉะนั้นจึงจะกล่าวสรุปข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นการทบทวนโดยสังเขป พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนสติปัฏฐานแม้จะมุ่งสอนพระแต่คฤหัสถ์ผู้มุ่งทำใจให้สงบตั้งมั่นก็อาจปฏิบัติให้ได้รับผลคือความสุขได้ฉะนั้นก็เป็นข้อที่ควรจะทราบในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนด ดูเข้ามาที่กายของตนนี้ไม่ดูออกไปข้างนอกแต่ว่ากายของตนเองนั้นก็ประกอบด้วยส่วนทั้งหลายเป็นอันมากฉะนั้นในการที่จะดูก็ต้องดูกำหนดลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะดูส่วนไหนก็กำหนดดูที่ส่วนนั้นและเมื่อจะเปลี่ยน ก็เลื่อนไปดูเป็นส่วนเป็นส่วนเมื่อย้อนกลับเข้ามาตั้งสติดูที่กายตนเองก็จะพบว่าทุกๆคนหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติฉะนั้นในเบื้องต้นท่านจึงสอนให้ตั้งสติกำหนดดูลมหายใจหายใจเข้าก็มีสติ หายใจออกก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้และให้รู้กองลมทั้งหมดดังเมื่อหายใจเข้าก็สังเกตจุดที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนฮาไทยและนาพีหายใจออก ก็จากนาพีหะาไทยแล้วที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนแต่ว่าการที่จะส่งจิตให้เข้าไปพร้อมกับลมหายใจและให้ออกมาพร้อมกับลมหายใจจิตก็จะดำเนินเข้าออกไปมาอยู่ไม่รวมเป็นจุดเดียวฉะนั้น ท่านจึงสอนให้กำหนดตั้งจิตไว้ที่จุดเดียวคือที่จุดริมฝีปากเบื้องบนหรือที่ปลายจมูกสุดแต่ว่าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกลมจะกระทบที่จุดใดให้มีความรู้อยู่ที่จุดนั้นแล้วก็เป็นอันรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วย เหมือนอย่างเลื่อยไม้ผู้ที่เลื่อยไม้ก็จับตาดูอยู่ที่ตรงไม้ที่กําลังเลื่อยแต่ว่าไม่ได้ดูที่ตัวเลื่อยทั้งหมดที่เลื่อนไปเลื่อนมามองดูอยู่ที่ตรงจุดที่เลื่อยกับไม้กระทบกันนั้นเพียงจุดเดียวเมื่อตั้งจิตให้อยู่จุดเดียวดังนี้ จิตก็จะสงบละเอียดกายก็จะสงบละเอียดลมหายใจก็จะสงบละเอียดเข้าจนบางทีรู้สึกว่าจะไม่หายใจแต่ก็ต้องมีลมหายใจอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ปล่อยต้องกําหนดจิตอยู่แม้จะไม่รู้สึกว่าหายใจ ก็ต้องกาหนดอยู่ที่นิมิตคือที่จุดกาหนดแห่งลมหายใจไม่ปล่อยสติออกไปคราวนี้เมื่อจะกาหนดกายส่วนอื่นต่อไปอีกก็ทำได้สองอย่างอย่างหนึ่งทิ้งลมหายใจไปกาหนดกายส่วนอื่นต่อไปอีกอย่างหนึ่งไม่ทิ้งลมหายใจคงกาหนดลมหายใจอยู่เป็นหลัก และก็กาหนดกายส่วนอื่นควบคู่ไปด้วยแต่การกําหนดควบคู่ไปนี้ใช้ได้ในขณะที่จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งและในขณะที่จิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งนี้การใช้คิดควบคู่ไปก็เป็นประโยชน์สำหรับจะได้เป็นเครื่องช่วยไม่ให้จิตออกไปข้างนอกเมื่อจะออกไป ก็ออกไปอยู่ภายในกายอันนี้ส่วนอื่นที่จะควรกำหนดให้รู้นั้นก็คือให้รู้อิริยาบถสำรวจดูกายของตนว่าบัดนี้อยู่ในอิริยาบถอันใดเช่นนั่งอยู่ก็ให้รู้และมีอิริยาบถน้อยเช่น วางเท้าวางมืออย่างไรก็ให้รู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถเมื่อรู้อิริยาบถดังนี้แล้วก็ตรวจดูร่างกายให้ละเอียดขึ้นไปอีกคือดูว่าร่างกายอันนี้ประกอบด้วยอวัยวะอาการต่างๆ ที่ปรากฏแก่ตาก็คือผมขนเล็บฟันหนังและที่ไม่ปรากฏแก่ตาก็คือเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะภายในต่างๆการเที่ยวตรวจดูนี้ในเบื้องต้นจะตรวจดูให้ทั่วไปก่อนหรือจะจับขึ้นมาดูให้ชัดก็สุดแต่ความพอใจ เมื่อตรวจดูปรากฏอาการต่างๆของร่างกายดังนี้ก็พิจารณาสรุปลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าร่างกายนี้ส่วนอันใดที่ขึ้นแข็งก็เรียกว่าเป็นปัทวีธาตุคือธาตุดินก็พิจารณายกเอาธาตุดินไว้ส่วนหนึ่งส่วนอันใดที่เอิบอาบ ก็เป็นอาโปาธาต์คือาธาตุน้ําก็พิจารณายกเอ า, าธาตุน้ําไว้เสียส่วนหนึ่งส่วนอันใดที่อบอุ่นก็เป็นเตโชาธาต์คือาธาตุไฟก็พิจารณายกเอาเตโชาธาต์ไว้เสียส่วนหนึ่งส่วนอันใดที่พัดไหวก็เป็นวายโยธาต์คือาธาตุลม ก็พิจารณายกเอาธาตุลมไว้เสียส่วนหนึ่งส่วนอันใดที่เป็นอากาศคือช่องว่างก็เป็นอากาศสธาตทธาต่างๆเหล่านี้กำหนดพิจารณาดูก็จะรู้และแยกออกได้แต่ว่าตามความเป็นจริงนั้นธาตาุทั้งหลายแยกกันไม่รวมกัน ความเป็นกายที่แปลว่าประชุมก็ไม่มีชีวิตก็ไม่มีแต่เพระาะธาตุทั้งหลายยังรวมกันอยู่ความเป็นกายที่แปลว่าประชุมอันประกอบด้วยชีวิตก็มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยังหายใจอยู่ยังผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่อวัยวะอาการต่างๆ ทั้งภายนอกภายในยังทาหน้าที่ของตนอยู่เป็นกายที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์เช่นกายที่เป็นอยู่นี้ครั้นพิจารณาดูกายที่ยังมีชีวิตอยู่สมบูรณ์นี้แล้วก็พิจารณาสืไปอีกว่ากายอันนี้เองเมื่อธาตุทั้งหลายไม่รวมกันวายโยธาคือธาตุลมดับ สิ้นลมอัศ ส, สาสะหายใจเข้าปัสสาสะหายใจออกเมื่อธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับกายที่เคยอบอุ่นก็เป็นกายที่เย็นต่อจากนั้นอาโปธาตุธาตุน้ำปฐวีธาตุธาตุดินก็สลายไปโดยลําดับในที่สุดก็สลายไปหมด กลายเป็นอากาศสาศัทธาคือช่องว่างเป็นอันว่าไม่มีเดิมก่อนที่ทุกๆคนเกิดมากายอันนี้ก็ไม่มีในที่สุดกายอันนี้ก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมตอนป่าช้าก้าว พิจารณากายที่ดับธาตุลมธาตุไฟเป็นต้นไปโดยลําดับดังนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่ากายที่ดับแล้วเช่นนี้เรียกว่าเป็นศพศพนั้นก็ไม่ใช่กายที่ไหนก็กายอันนี้เองเมื่อธาตุทั้งหลายยังประชุมกันอยู่ก็เป็นกายที่มีชีวิต เมื่อธาตุทั้งหลายดับแตกสลายออกไปก็กลายเป็นศพพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณากายอันนี้แต่ในการพิจารณากายนั้นเมื่อเป็นกายที่มีชีวิตจะพิจารณาให้เป็นศพนั้นเป็นการยากจึงสอนให้พิจารณาศพจริงๆและเทียบเคียงเข้ามาเพราะทุกๆคน ก็จะต้องเคยพบคนเจ็บคนตายโดยเฉพาะคือจะต้องเคยพบศพแต่ว่าศพในบัตรนี้ได้มีการจัดการตกแต่งความจริงของศพไม่ปรากฏฉะนั้นก็ต้องอาศัยพิจารณาไปตามเขาคือ 1. นึนึกดูศพที่สิ้นชีวิตไปแล้วหนึ่งวัน สองวันสามวันเป็นศพขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลสองต่อไปก็คิดถึงศพที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินเช่นศพที่ทิ้งไว้ถูกกาถูกแรง้งถูกนกตระกุมถูกสุนัขถูกสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ต่างๆกัดกิน 3. เมื่อเป็นเช่นนี้ก็นึกถึงศพที่มีเนื้อหลุดเพราะถูกสัตว์กัดกินตั้งกล่าวมานั้นแต่ก็ยังไม่หมดยังเปื้อนเปื่อยอยู่ด้วยเนื้อและเลือดและโครงกระดูกยังมีเส้นเอน็นรึงรัตสี่สืบไปก็นึกถึงศพที่ไม่มีเนื้อเหลืออยู่แล้วแต่ก็ยังเปื้อนเลือด โครงร่างกระดูกก็ยังมีเส้นเอ็นรึงรัด5ต่อจากนั้นก็นึกถึงศพที่ปราศจากเนื้อปราศจากเลือดมีโครงร่างกระดูกยังคุมกันอยู่เพราะยังมีเส้นเอ็นรึงรัด6จากนั้นก็นึกถึงศพที่เส้นเอ็นรึงรัดนั้นหมดไปแล้ว โครงกระดูกที่รวมกันอยู่ก็กระจัดกระจายไปคนละทางกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกขากระดูกตะโพกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกหัวไหล่กระดูกคอกระดูกคางกระดูกฟันจนถึงกระโหลกศีรษะ ก็หลุดไปคนละทางก็กลายเป็นอัฐิคือกระดูก 7. แต่เมื่อยังเป็นกระดูกใหม่อยู่ก็ยังเป็นสีขาว 8. ครั้นล่วงปีไปแล้วก็เป็นกระดูกเก่ารวมเป็นกองกองอยู่ 9. ต่อจากนั้นก็กลายเป็นกระดูกผุปนละเอียด เมื่อถูกลมพัดก็เปลิวกระจัดกระจายไปจนสิ้นชื่อที่จะเรียกว่ากระดูพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้ดูไปทีละส่วนดูกายที่มีชีวิตและก็ดูคาดไปถึงกายที่ไม่มีชีวิตซึ่งทุกๆ ก, กายก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้น ในการดูนี้ก็อาจจะมีความกลัวความกลัวนั้นโดยปกติมักจะเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความววาดเวและก็นึกว่าจะมีสิ่งที่เป็นภัยอันตรายแต่ถ้าดูให้รู้ว่าอะไรอย่างไรและสิ่งที่ดูนั้นความจริงไม่ใช่เป็นภัยอันตรายเมื่อมีความรู้ดังนี้ ก็จะเลิกกลัวไม่กลัวและเมื่อดูจนเกิดความไม่กลัวดังกล่าวนี้ก็จะทำให้เป็นคนกล้าเผชิญต่อความจริงจะไม่กลัวสิ่งที่เรียกว่าผีคือไม่กลัวผีตอนตรวจดูบ้านการพิจารณาดูกายดังที่กล่าวมานี้จิตจะท่องเที่ยว แต่ก็คล้ายๆกับว่าย้ายไปอยู่บ้านใหม่ในเบื้องต้นก็จะต้องเที่ยวดูเสียให้จนทั่วว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างคราวนี้ถึงกล่าวที่จะพักจริงๆจะนอนจะนั่งก็จะต้องหยุดนั่งหยุดนอนอยู่แห่งเดียวไม่ใช่เดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลาถ้าเดินเที่ยวดูอยู่ตลอดเวลาแล้ว ก็เป็นอันว่าไม่ต้องพักฉะนั้นตรวจดูบ้านของเราเห็นตลอดทั้งบ้านแล้วจะตั้งเก้าอีนั่งพักที่ไหนจะตั้งเตียงนอนสำหรับนอนพักที่ไหนอันนี้ก็สุดแต่พอใจพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสบอกวิธีไว้หลายอย่างดังที่กล่าวมานี้คือตรัสชี้ให้เข้ามาดูกายอันนี้ และดูให้ทั่วแล้วคราวนี้ใครจะต้องการพักนั่งนอนที่ไหนก็นั่งพักนอนพักเอาได้ตามชอบใจจะนั่งพักนอนพักอยู่ที่ลมหายใจโดยตั้งสติกาหนดลมหายใจเพียงจุดเดียวเท่านั้นก็ได้หรือจะนั่งพักนอนพักอยู่ที่อาการ32เช่นว่า จะตั้งจุดพิจารณาอยู่ที่กระดูกให้โครงกระดูกปรากฏก็ได้หรือว่าจะพอใจในการพิจารณาศพอยู่กับศพก็ได้แปลว่าจะอยู่กับส่วนเป็นหรือว่าจะอยู่กับส่วนตายจะอยู่ในจุดไหนสุดแต่จะพอใจจะพอใจลมหายใจเข้าออกก็ตั้งสติ ก, กำหนด ให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในจุดนี้เพียงจุดเดียวถ้าจิตจะต้องการเที่ยวก็ให้เที่ยวไปในส่วนอื่นแต่ให้อยู่ภายในกายอันนี้จะให้เป็นความคิดสองอย่างประกอบไปด้วยกันก็ได้แต่ก็ยังไม่เป็นสมาธิเมื่อจะเป็นสมาธินั้นก็ต้องมาอยู่ในจุดเดียว 26. สิงหาคม 2,504